ประาวันหนึ่งก็รู้สึกปวดหัวปวดหลังแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆตอนหลังก็เริ่มมีปัญหาอื่นตามมาเดินชนโต๊ะเดินชนเก้าอี้บางทีก็หาประตูห้องไม่เจอไปหาหมอหมอก็ทำการทดสอบหลายอย่างรวมทั้งวางริบิน แล้วก็กันไก่ไว้ข้างหน้าเธอแล้วก็ให้เธอเนี่ยบอกได้ว่าข้างหน้าเนี่ยบนโต้นนี่คืออะไรเธอตอบไม่ได้แต่ยืนยันว่าเห็นแล้วมันก็มีผู้ชายน่ยที่มีอาการคล้ายๆกันเนี่ยไปหาหมอหมอก็ทดสอบนะเอากำปั้นเนี่ย ทำทีมันก็จะจะชกหน้าเขาแต่ชายคนนั้นก็ไม่หลบเลยเอาอาหารวางไว้ข้างหน้าก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ก็ยืนยันไป ม, มองเห็นนะแต่ที่ไม่เห็นก็เพราะว่าห้องมันมืดนะเลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วมึงมีผู้ชายอยู่หลายคนนะ มีอาการคล้ายๆกับเดินชนโตะเดินชนเก้าอี้เดินชนกำแพงบ้างก็ถามมาทำไมเดินชนก็บอกว่าเนี่ยมันบางคนก็อบอกว่าห้องมันมืดมันแต่เปิดไฟบางคนก็อบอกว่าลืมใส่แว่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะตาบอดทั้งหมดที่พูดมาเลยเนี่ยนะตาบอดทั้งนั้นแหละ แต่แปลกนะไม่ยอมรับนะว่าตาบอดอยืนัันว่ามองเห็นแต่บอกไม่ได้ว่าข้างหน้านี้คืออะไรแล้วก็มีวิธีนะที่จะหลอกตัวเองนะว่าตายังดีอยู่ก็โดยการอ้างอ้างว่าห้องมืดอ้างว่า ไม่ได้เอาแว่นตามาเหตุผลก็ดูดีนะแต่มันก็ต้องก็ได้ผลด้วยนะเพราะมันสามารถที่จะหลอกคนเหล่านี้เนะี่ยว่าตัวเองเนี่ยตาดีมันแปลกนะคนที่ตาบอดเนี่ยทั้งนั่งที่มันชัดเจนนะว่ามองอะไรไม่เห็นเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอด แล้วก็หาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างว่าที่ตัวเองชนก้ออี้ชนกําแพงนี่เพราะมันมืดนะพออยู่ในห้องใต้ดินนะแล้วก็แปลว่าที่คนเนี่ยหลงเชื่อนะเหตุผลข้ออ้างที่ตัวเองนะปรุงแต่งขึ้นมาไอ้ยิงคนแบบนี้นี่ก็มีไม่มากนะ แต่มันก็ชวนให้คิดนะว่าคนเราเนี่ยมันมีความสามารถในการหลอกตัวเองได้สูงมากเลยตาบอดเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันน่าจะชัดเจนนะแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ยอมรับยังยืนนว่าฉันตาดีฉันมองเห็นแต่ที่ไม่เห็นเพราะห้องมันมืดเป็นเพราะว่าฉันยังไม่ได้ใส่แว่น มนุษย์เราเมีความสามารถในการหลอกตัวเองสูงเลยนะในวิธีการหลอกตัวเองก็อย่างหนึ่คือการใช้หรือการอ้างเหตุผลอย่างง้นอย่างนี้และคนเราเนี่ยพอช่วยเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นมาเริ่ก็ก็เลยอยู่ในโลกนะแห่งการหลอกลวงได้ทําไมคนเราเนี่ยถึง หลอกตัวเองว่าตาไม่บอกดก็เป็นเพราะมันมีสิ่งที่เรียกากลไกป้องกันตัวเองนะเป็ น, นกลไกป้องกันอัตตาอัตตานี่มันก็อยากจะยืนยันว่าฉันดีฉันเก่งฉันปกติฉันสวยฉันหล่ออะไรก็ตามความจริงอะไรก็ตามที่ทำให้ มันไม่เป็นอย่างที่อัตาปรารถนาเนี่ยมันก็ง่ายนะที่อัตาจะไม่ยอมรับแล้วก็สรรหาเหตุผลขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างตาฉันยังดีอยู่แต่ว่าห้องมันมืดฉันก็เลยมองไม่เห็นแค่นั้นเองไม่พอเราได้ยิเรื่องราวแบบนี้แล้วนี่ก็ทำให้เห็นเลย น, นะว่า ความสามารถในการหลอกตัวเองคนเรานี่มันมันไม่เบาเลยนะมาก็ะทึงเรื่องที่มันดูน่าจะแจ่มแจ้งนะแต่คนก็ไม่ยอมรับ ก, ก็ยังหลอกตัวเองอาจจะมีน้อยคนนะที่ตาบอดแล้วไม่ยอมรอตัวเองตาบอดนะแต่ว่ามันมีการปฏิเสธหรือการหลอกตัวเองหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา ยังมีผู้หญิงคนนึ่งแกเล่าว่าเนี่ยเวลาไปคุยชอบคุยเล่ากับเพื่อนแล้วเนี่ยพ่อแม่นี่รักฉันมากเลยนะและพ่อแม่ก็ชอบแสดงความรักให้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างเวลาฉันเห็นต่างจากแม่เนี่ยนะแม่จะคว้าอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวคว้างใส่ฉันมีคราวหนึงนะ่งแม่ถึงกับมีนี่คว้างใส่ฉันเลยนะฉันต้องไปเย็บ ถึงสิบเข็มเราจะนั้งไม่นานพ่อนี่ก็บีบคอฉันเพราะว่าพ่อรู้ว่าฉันไปเที่ยวกับผู้ชายคนที่พ่อไม่ชอบพ่อแม่รักฉันจริงๆเลยพ่อแม่ห่วงใยฉันมากจริงเราฟังที่เรื่องราวที่เธอเล่าก็รู้เลยนะว่ามันความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอคงมีปัญหากับพ่อแม่นะพ่อแม่ถึงทําทกับเธออย่างนั้น แต่เธอก็ยังไม่ยอมรับนะว่ามีปัญหาก็ยังหลอกตัวเองว่าพ่อแม่รักฉันถึงกับบีบคอเวลาฉันไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าถึงกับมีควางใส่ฉันเวลาเห็นต่างกันอันนี้มันไม่ให้ความรักแล้วล่ะมันไม่ให้ความห่วงใยแล้วแต่เธอก็ยังเชื่อนะว่าพ่อแม่รักเธอ เป็นการเชื่อโดยการอ้างหรือสรรหาเหตุผลมาหลอกตัวเองเพราะว่าอัตตาเนี่ยมันก็ปัจฉนาจะเป็นที่รักนะของพ่อแม่เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของคนใกล้ชิดแล้วมันยอมรับไม่ได้นะถ้าเกิดรู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้รักฉัน ก็เลยนะพยายามสรรหาเหตุผลหรือข้ออ้างเพื่อดืนยันว่าเนี่ยพ่อก็รักฉันแม่ก็รักฉันห่วงใยฉันมันเป็นการหลอกตัวเองเพราะไม่สามารถยอมรับความจริงที่ไม่พึงปรารถนาหรือความจริงที่อัตตามันยอมรับไม่ได้ อันนี้ก็เป็นกลไกลป้องกันตัวเองนะของอัตตานะที่มันก็มีในทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะรู้เท่าทันหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันอัตตานี่มันก็จะก็จะถูกมันปั่นหัวถูกมันหลอกตัวหน้าที่ความจริงเนี่ยมันเห็นชัดๆเห็นทนโทษนะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่เข้าใจอย่างที่ปรารถนา ก็ขนาดตาบอดนี่ก็ไม่ยอมรับเลยว่าตาบอดเนี่ยอันนี้มันก็เรียกว่าโอ้คนเราก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสามารถจะเชื่อเหตุผลที่อัตตามันสรรหาอัตตามันไม่อยากจะยอมรับ ว, ว่าฉันตาบอดก็ก็เชื่อนะว่าฉันตาไม่บอดแค่เป็นพ่อฉันอยู่ในห้องมืดเท่านั้นเองแล้วมันจะมืดไปตลอดได้ยังไงนะ อยู่ในห้องมืดยิบสีชั่วโมงได้ยังไงแต่เรื่องนี้เนี่ยอัตตามันก็ก็คงมีความสามารถในการหลอกเราให้เชื่อนะว่าความจริงฉันตาดีไม่น่าเชื่อนะทุกวันนี้มีคนจานวนไม่น้อยเนี่ยนะยังเชื่อว่าโลกดีแบนนะมันมีสมาคมโลกแบนอยู่ ม, มีข่าวนึงเคยประกาศน่จะล่องเรือล่องเรือเดินสมุทรเนี่ยนะจะแล่นเรือไปจนสุดขอบฟ้าเลยเพื่อพิสูจน์ว่าโลกมันแบนท่านนั้นที่ก็มีหลักฐานมากมายนะว่าโลกมันกลมอย่างเช่นนะภาพถ่ายโลกจากยานอาวกาศหรือจากดาวเทียนก็เห็นว่าโลกมันกล ม, ม น, นะ แต่คนเรานี้ก็แย้งว่ามันเป็นภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาเสกสร้สางขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงแล้วคนก็อ้างอ้างเองก็เชื่อเองนะเพราะว่าเหตุเพราะว่าคนเรามันมีความสามารถหรือกิเลสหรืออัตตามีความสามารถในการสร้างให้ผลเพื่อมาหลอกให้เราเชื่อ ง้นดีๆเนี่ยเหตุผลนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องควรจะเชื่อเสมอไปนะกิเลสมันก็สามารถสั่นนายผลมาให้เราเชื่อได้เหมือนกันถ้าคนเราไม่รู้ทันเหตุผลไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันก็ถูกกิเลสหลอกได้ เวลากิเลสเนี่ยมันอยากจะให้เราซื้ออะไรเนี่ยโอ้มันจะสรรเหตุผลสารพัดเลยว่าของนี้ดีเนีดีประโยชน์แล้วคนจนวนมากเนี่ยก็คอยตามเหตุผลของกิเลสหรืออัตตาแร้แทั้งบุรีเล่าเนี่ย กิเลสมก็สนายผลมานะว่ามันดีอย่างงานดียงนี้เรากินเหล้าเพื่อสังคมถ้าเราไม่กินเหล้าเราก็ไม่มีสังคมก็ทํามาหากินลําบากไม่มีสังคมเนะี่ยคนก็เชื่อนะเชื่อคล้อยตามกิเลสมก็ชักจูงให้เราทําตามอํานาจของมันหรือปนเปื้อมัน เอาตอนคิดหลายตานี้มันก็จป็นน่ากลัวนะถ้าเราไม่รู้ทันนั้นดังนจึงไม่น่าแปลกใจนะทำไมคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้าเนี่ยไม่เคยยอมรับว่าตัวเองบ้านคนบ้าน้อยคนนะคนที่วิกลจริตน้อยคนที่ยอมรับว่าตัวเองมีวิกลจริตก็จะหาเหตุผลมาชี้ยื น, นว่าฉันปกติ คนเมากเหมือนกันนะคนเมานี่ก็เวลาเมานี่ก็จะบอกใครแ้าว่ากูไม่เมากูไม่เมานี่มันก็เป็นเป็นผลจากการปกป้องตนเองของกิเลสหรือของอัตตาและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้อยตาม เหตุผลของกิเลสของอัตตาไดงา้ง่ายๆก็เลยกลายเป็นว่าหลอกตัวเองหรือว่าปฏิเสธความจริงจริงอย่าว่าแต่คนบ้าคนเมาเนแม้กระทั่งคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็โดนกิเลสหลอกบ่อยๆนะหรือโดนอัตตาหลอก บ, บ่อยๆ นักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยจะไม่ยอมแล้วว่าตัวเองโกรธนะเวลามีความโกรธมีความโง่ใหญดฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าถ้าโกรแล้วนี่มันก็แสดงว่าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นการปกป้องตัวเองของอัตตาอัตตามันก็ต้องการให้ ใครๆเห็นรวทั้งยืนยันตัวเองว่าฉันดีฉันเก่งฉันฉันเป็นคนดีฉันไม่มีความโกรธยิ่งมาภาวนาหรือยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือสำคัญมากว่าตัวเป็นปนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทําไมระวังนี่อัตตามันจะพองพูนใหญ่โตนะมันเกิดความติดดีมากขึ้ น, นเกิดความหลงตนมากขึ้น ส่วนนี้ก็เกิดจากการไปเปรียบเทียบคนอื่นนะว่าเฉันมีศีลมากกว่าฉันถือศีลเนี่ยศีลหก็ครบศีล8ฉันก็ถือฉันลุ่มขาวห่มขาวฉันมาภาวนาฉันมาเข้าวัดมันก็ไปปรุงแต่งกิเลสปรุงแต่งอัตตาว่าฉันดีฉันเก่งฉันเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะโกรธได้ยังไง ฉันโกรธฉันก็เสียชื่อนักภาวนาเนั่นก็ยังมีนักภาวนาจำนวนมากเนี่ยที่จะไม่ไ ม, ไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยโกรธทั้งที่อาการโกรธก็แสดงชัดเจนแต่ไม่ยอมรับนักภาวนาหลายคนหรือนักปฏิบัติธรรมหลายคนนี่ จะโกรธมากเลยนะถ้ามีคนไปทักว่าในเธอหงุดหงิดเธอโกรธนะหรือไปทักว่าเธอไม่มีศีลนะหรือเธอศีลพร่องนะที่จริงคำทักท้วงแบบนี้หรือคำตาหนิบแบบนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงนะแต่สำหรับบางคนโดยเฉ พ, เพาะนักภาวนาหรือนักปฏิบัติธรรโอยจะรุนแรงมาก แล้วใครมาทักว่าในเธอโกรธแล้วหน้าเนี่ยยิงก็ยิ่งโกรธเท่าใบใหญ่เลยคราวนี้โกรธใส่คนที่ทักไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไม่อยอมรับตัวเองด้วยเพราะว่ากิเลสหรืออัตตาหรือทั้งหมดคือมานะนี่มันสูงนมานะคือความถือตัวถือต น, นเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง นี่เราต้องระวังนะยิ่งมามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมพยายามเขี่ยวกรมพยายามฝึกฝนตนความสำคัญมันหมายว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมฉันเป็นคนมีศีลมีธรรมนี่มันก็สามารถจะเพิ่มเพิ่มพูนหรือพอกูนกิเลสหรือว่าเสริมมนณะขึ้นมาได้ ยิ่งไปไ ห, ไหนมาไหนมาวัดมาปฏิบัติธรรมก็ต้องถ่ายรูปนะขึ้นเฟซบุ๊กเซลฟี่ว่าฉันมาวัดมาปฏิบัติธรรมยิ่งประกาศตัวตนให้ใครๆรู้ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรม้วก็ยิ่งต้องสร้างภาพวางฟอร์มพอสร้างภาพวางฟอร์มแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของการสร้างภาพนั้นก็คือจะจ ะ, จะโกรธไม่ได้จะหงุดหงิดไม่ได้ หรือยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองโกรธยอมรับไม่ได้ว่าตัวงหงุดหงิดยอมรับไม่ได้ว่าตัวเอ ง, อ า, เ อ, งอาจจะมีความโลภมีความอิจฉาแล้วพวกนี้มันก็ง่ายที่เราจะถูกกิเลสมันหลอกเวลาโกรธก็ไม่ยอมรับตัวเองโกรธนะเพราะว่ากิเลสมันบอกว่าฉันก็ต้องแค่ต้องการสั่งสอนมันเท่านั้นแหละ ฉันแค่ต้องการสั่งสอนมันจริงๆฉันไม่ได้โกรธอะไรหรอกต้องสั่งสอนมันเพราะมันทำไม่ถูกพอเราเชื่อข้ออ้างหรือเหตุผลของกิเลสเราก็ก็เลยหลงตัวมากขึ้นแม้ว่าเวลาแสดงอาการอะไรบางอย่างไปเนี่ยที่มันจงแจ้งชัดเจนว่า ยังมีกิเลสอยู่นะแต่ว่ามันก็จะหาข้ออ้างว่าไม่ใช่หรอกนะเป็นพ่อเหตุอื่นมากกว่าอย่างมีสมัยหนึ่งนะหลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านไปแสดงธรรมที่วัดอโศกา ร, รามหลวงปู่ตื้อท่านก็มรณภาพไปตั้งห้าสิบปีแล้วนะมีความหนึ่งท่านก็แสดงธรรมเนี่ยก็แสดงธรรมได้ลึกซึ้งมาก พอแสดงธรรมเสร็จก็มีโยมอุบาสิกาคนหนึ่งมากราบท่านแล้วบอกว่าหลวงปู่แสดงธรรมได้ลึกซึ้งมากดิฉันฟังแล้วสบายใจเบาใจเหลือเกินปล่อยวางไปได้เยอะเลยหลวงปู่ตืนท่านก็บอกว่าโอ้อนุโมทนดาด้วยนะที่โยมเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรม เพียงแล้วบอกสาธุหลวงปูตอนนี้ดิฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆอีกแล้วหลวงปูตื่นท่านนิ่งสงักพักแล้วก็บอกแล้ว อ, อีกตอนแหล่โวโยงนั้นโกรธมากเลยแต่ฉันที่จะเห็นความกลรธของตัวเองและฉัทนที่จะเห็นว่าตัวนี้จะมีความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาในอัตตานี่กลับไปต่อว่า ตำหนหลวงปู่ตื้อนะว่าเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงต่อหน้าผู้คนมากมายไม่สมควรเป็นพระผู้ใหญ่เลยคือมันหายเหตุผลนะแต่แทนที่จะเหตุเหตุผลที่จะใช้ในการมา ค, รคลครวนตัวเองกลับมาใช้ปกป้องตัวเองยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยยังมีความโกรธอยู่ ยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าใช้เหตุผลในการปกป้องตัวเองนะด้วยการตำหนิต่อว่าหลวงปู่เนี่ยกิเลสเนี่ยมันเลือดตายมันเราจะประมาทมันไม่ได้นะยิ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยยิ่งต้องจำเป็น ต้องมาสำรวจตรวจตราจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ทําดีอย่างยัไม่พอนะทำดีเช่นการรักษาศีลแม้แตก่การนั่งสมาธิต่าใดที่เรายังไม่หันมาใส่ใจ ก, การตรวจตราจ้องมองตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปิดช่องให้ กิเลสหรืออัตตานี่มันเพิ่ผูนมากขึ้นเลยเพราะยิ่งทำความดีมากเท่าไหร่กิเลสเนี่ยมันก็ยิ่งฉวยโอกาสใช้ความดีนั่นแหละมามาสร้างเป็นเกราะกาบังตัวมันไอความดีที่เราทำนี่มันกลายเป็นเกราะนงะให้กับกิเลสหรือเป็นการเพิ่มผูนอัตตาให้หนานแน่นมากขึ้นมันฉลาดมากไนะไอตัวกิเลส หรือเรียกเรื่องว่าเรียกหลงเราตัวหลงเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยแม้เราจะทำดียังไงมันก็เอ า, ม, ามันก็ฉวยใช้สิ่งลันนั้นมาเสริมสร้างพอกพูนกิเลสพ่อพูนอัตตาหรือเพิ่มพูนความหลงให้มากขึ้นหลายคนยิ่งภาวนาไปยิ่งทำสมาธิมันก็ยิ่งหลงมากขึ้น เพราะว่าไม่ค่อยได้อันมาดูตัวเองอย่างลึกซึ้งอย่างซื่อตรงในการมาเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยเพียงแค่เราเห็นความคิดเรารู้ทันความคิดยังไม่พอนะมันต้องลงมองไปให้ลึกจนถึงรากเ ง, งาหรือเบื้องหลังของความิดและอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งถึงที่สุดแล้วมันก็นีไม่พ้นนะกิเลสอัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นถ้าบางคนภาวนาไปก็ก็แค่ได้ความสบายใจจิตใจมันสบายแต่ความตนันหนีความโลภความโกรกก็ยังมีอยู่เยอะความหลงในตัวตวนก็ยังมีอยู่มากอันนี้เพราะว่าไม่ได้มองให้ลึกซึง้งหรือบางทีไม่ได้มองเลยเอาแต่เพลิน นะกับความสงบหรือว่าบางทีก็เพลินไปกับคําชื่นชมสารเสวยของผู้คนรอบข้างว่าโอคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมนะนักภาวนายิ่งใครชมแบบนี้เขายิ่งต้องสร้างภาพวางฟอร์มให้มากขึ้นรวมทั้งการแต่งตัวนะต้องสร้างภาพหรือการการ สดงอิริยาบถนะต้องสุคุมสำรวมอันนี้เราต้องระวังนะว่าเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเจริญสติหรือเพื่อสร้างภาพให้คนเ้ามองว่าเราเป็นนักปฏิบัติทำนั่นมันดูจิตดูใจองตัวอยู่เสมอดูด้วยความซื่อตรงดูโดยที่ไม่ไปติดดีว่าเนี่ยฉันเป็นนักปฏิบัติท่านแล้วฉันต้องไม่โกรธ จริงๆถ้าเราซื่อตรงกับตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าโอเรามีความไม่ดีซุกซ่อนอยู่เยอะเลยแต่ก่อนมองไม่เห็นนะบางคนบอกว่าเนี่ยพอมาเจริญสติแล้วโอ้เห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะเลยเห็นความน่าเกลียดตัวเองมากเลยอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่ตัวเองนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปิ่งปิ่งกิเลสจริงๆแต่จะไปยึดมันมาเป็นเราเป็นของเรา แต่ไปคิดว่าโอ้เราทําไมเลวแบบนี้มันก็ยังไม่ถูกนะเห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นความเห็นแก่ตัวอันนี้ดีแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะกลายเป็นว่าเราเลวเราเห็นแก่ตัวเพราะไอกิเลสเรานั้นนะมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันความกลัวก็ไม่ใช่เราความเห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งคําต่อว่าด่าทอพ่อแม่ผู้มีพระคุณ มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางคนไปนยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็เสียใจว่าทําไมเราคิดชั่วแบบนี้ทําไมเราจ่วงจับครูบาอาจารย์แบบนี้กลายเป็นท้อแท้หดถูไปเลยก็มีในการที่เห็นความไม่ดีหรือกิเลสในใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนเกิดความเข้าใจว่าเราเลวเราแย่ยอันนี้มันแสดงว่ายังดูไม่ยังดูไม่ ไม่ถูกนะยังมองไม่เป็นแต่ที่ยจวนะันคือมองไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ความดีนะเห็นแต่ความประเสริฐของเราไม่ใช่แค่เป็นความดีเฉยแต่เห็นว่าเป็นเราด้วยก็เลยเกิดการพ่อพูนอัตตาหนานแน่นมากขึ้นเวลาทำอะไรผิดพลาดเวลาทำอะไรด้วยความเป็นตัวก็มีข้ออ้างนะกิเลสมาสรรหาเหตุผลข้ออ้างให้เราเชื่อว่าเราดีนะ มันเป็นการมันเป็ น, นกลไกปกป้องอัตตาเป็ น, นกลไกปกป้องกิเลสแบบหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังเนั้นถ้าหาว่ามองตัวจริงๆมันก็จะก็จะไม่ใช่ว่าไปหลงปลืม้มหลงหลายปลื้มในตัวเองแต่มันจะมีท่าจีของการวิพาควิจารณ์ซึ่งจะช่วยทําให้เราได้รู้เท่าทันกิเลสมากขึ้นยิ่งเห็นความโกรธยิ่งเห็นความ ความร่วก็ยิ่งดีถ้าไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเมืองกับท่หลวงพ่อ เ, เทียนเนี่ยตอนที่ท่านเห็นความโกรธที่เกิดจากการทักท้วงของภรรยาเนี่ยโอ้ท่านทำให้ท่านเห็นเลยนะว่าให้เราทำบุญรักษาศีลมันยังไม่พอเนี่ยเพราะทำแล้วยังมีความโกรธอยู่อย่างนี้ต้องไปภาวนาให้หนักนะและนั่นก็ทำให้ท่าน ถึงกับเลิกทำการค้าขายเลยนะสาสา ง, งานการเพื่อไปทุ่มใจกับการภาวนาดโดยตรงแล้วถ้ามอมแบบนี้จะมันจะดีกว่า